ขอใช้เวลานี้ตาลบธรรมเจ้าการฟังเรามีทิศทางเดียวกันออกวัวจากเรือนให้เจาเข้อได้เรือนเป็นนาคาลิกะบุคคลก็มีพ่อ แสงหาความหลุดพ้น <c oughs> มาอยู่ด้วยกันจึงมีเวลาเช่นนี้เพื่อส่วนรวมให้เป็นสิ่งเวล้อมในขณะที่เราใช้ชีวิตร่วมกันเช่นนี้เราก็มีงานมีการชวนตัว เ้าก็พูดเรื่องงานของเราเรามีความหลงเรียว่างานของเราเราไมีความทุกความโกรธความโลภความรักความชางังความริใจเฉยใจนั่นล่งงานของเราถ้าไม่ทำให้มันเฉดช้าเราก็ต้องมีภาระปัญหาไปเรื่อยๆ เ, เหมือนถนนหนทาง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 ถ้ามีความทุกข์ก็ต้องซ่อมความทุกข์ตธรร่ธยทมแต่มีวิธีทำให้สำเร็จได้ถ้าว่าเรามีชีวิตอยู่ไปยาวนานต้อเรียบซ่อมให้มันเฉดเฉดไหวหนุ่มเติอนตะดนตึกศึกจะนุ่มจะได้ใช้ชีวิตไปยาวนาน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 มันอื่นเชิงอื่นซ่อมไม่ได้อย่างรถเนี่ยซ่อมไม่ขึ้นต้องทิ้งเป็นเฉดเหล็กเอาไปขาย <c oughs> นะคาก็ไม่ไม่ค่อยมีถ้าเป็นเฉดเป็นเดนไปแล้วชีวิตเราไม่เป็นเยตนั้นแต่บางคนไม่ยอมซ่อมก็เป็นเดนเลยทีเดียวไม่มีชีวิตชีวาติดคุกตลาด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 ซ่อมหลงป่ถ้ามันมีอ่ะพอซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่ต้องซ่อมยอู่ใช้ได้ตลอดชีวิตไม่มีหลงไม่มีโกรธไม่มีโลกไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีดีใจเสียใจชีวิตมันเรียบระเบิเราจึงไม่ขอที่จะให้มันงานข้างขางเอาไว้แต่มันหลงนั่นแะดีจะได้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 ทกไปเไปรื่อยไปจนตายโกรธเรื่อยไปจนตายเป็นชีวิตน้ำเนา่าบางทีเป็นพระกรรมฐานน้ําเน่าหรือเขาอย่างเขาพูดว่านักการงานน้าเน่าเอาแตนเรื่อนกับโ ก, บกบมาพูดกันเอาแต่ความหลงมาเป็นปัญหาเอาแต่ความหลงมาเป็นปัญหาเอาความโกรธมาเป็นปัญหาเอาความทุกข์มาเป็นปัญหา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 ตะทิศเนี่ยไม่ถึงร้อยสามสิบยร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยี่สิบร้อย 20, อาวมันก็ไม่ไม่ดื้อแล้วมันไม่ดื้อแล้วยามันปาบปาบโลกได้ตามกำลังของยาชีวิตของเราทำมันดื้อไปแล้ว น, นี่ยมีอีกเยอะๆทุกดงเขวัดเข้าไปขูดเข้าไปอืมขูดเข้าไป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 ถ้ามันหลงรูปลบลอยหลงลกลอยหลงลักษณะที่ลบลอยหลงอย่างใดพูดไปเช่าเนะ่เช่าหวานนะ่ถ้าหลงเป็นหลงได้ว่าเป็นลอยลึกเหมือนกับขีดเหมือนกับมีฉขีดบนหินลบยาถ้าหลงเป็นหลงทุกเป็นทุก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 พลังไม่มีศรัทธาไม่ฉะติ ถ, ถ, ถูกถ ก, กักขงังนัดลึงไว้ผู้มีพลังไม่ศรัทธาม่ฉะติถูกกักขังเมื่อใดกะโดดถึงยอดกอดมองกุฎตรงที่มันรัดอาจจะ ก, กระโดดได้ดีแค่ได้ดีแก่ไขชอบแค่ไข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 ของชีวิ ต, ช, วตชีวิตคือมีอย่างนี้ชีวิตไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกเป็นชีวิตนั่นก็ถูกแต่ชีวิตที่หายใจเข้าหายใจออกเพื่อการนี้นเพื่อใช่การนี้นให้เกิดประโยชน์ต่อทุกอย่างในโลกไม่ให้เป็นทุกข์เป็นโทษต่อทุกทุกอย่างในโลกมีมีลมหายใจเดินได้สช้ได้ก็คือเรื่องนี้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 ปิจารเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีสติอยู่นี่มัจะหลุดไปตั้งเกินมันจะไปได้เลยหลายใจเลยนอกใจเลยกรรมฐานหลายใจเลยไม่ใช่ปิจ า, าเห็นคิดในจิตอยู่ในนี้ตอนความพอใจไดความไม่พอใจอันนี้เกิดกับคิดออกมาได้ออกจากโลกมาได้เนี่ยเราทำได้อย่างนี้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 เราใช้ชีวิตร่วมกันก็ให้เป็นเปิดการนี่ทำอะไรก็เพื่อเรื่องนี้ความสะดวกที่อยู่ร่วมกันก็เพื่อเรื่องนี้ไม่ได้เพื่ออื่นอื่นปุงผู้ปุงอาหารก็เพื่อเรื่องนี้โอ้ปฏิบัติกบเพื่อการนี้ไม่ใช่ปุงอาหารเอาควาดีความไม่ดีเอาควา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 เป็นพระสีชาตนาพระสีอริยแมตตายต่อจากโคตโมโง่ได้ไปเอาทมคำสอนของพระโคตมโม่ไดต่อถังพระสีอริยแม่แต่จบละบ้างอย่าทันที่มันหมดโอกาสมันแก่มันเท่ามันหมดไปเป็น การเวลามันกืนกินชีวิตเราไปเดี๋ยวนี้นักวิทยาศก็ทํานายโลกจะสลายอีกไม่นานเดี๋ยวนี้ก็สลายลงแล้วหลายหลายอย่างแล้วอันในโลกภายนอกโล ก, โลกภายในของเราเนี่ยกนกายในเจเรานี้มันมีอะไรที่มันพอใชได้ใช่ไหมได้ให้รู้จักมันซะเลือกได้ใช่ เอาความที่มันถึงที่เป็นประโยชน์ถึงไหนที่เป็นโทษทิ้งไปเอาทิ้งไปอย่าให้เป็นน้าเน่าความหลงหลงแลง้วหลงอีกมันน่าจะวิลาขะเบื่อหน่ายถ้ามันมีสติมันเบื่อหน่ายจางทายถ้ามีมีสติก็ถือว่าเหล่าเพราะเรามีสติมันต่างกันกันกบความ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 มันจึงเห็นตัวนี้ชัดเจนที่สุดเลยคิดที่มันตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวนี้ได้เยอะแยะเลยดื้อนฐานะได้เยอะแยะเห็นความคิดนะเน่าดื้อชั้นทีวิตได้มากมายเห็นความคิดที่มันไม่ตั้งใจตื่นมากตัวเนี้ยนะถ้ามีสตินะถ้าไม่มีสติก็ไม่ค่อยเห็นเนะ่า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 หนึ่งลูปสองล ะ, ละสามทำหมดไปเจอะปะเป็นยายาตาเป็นยาติอคณะเป็นยาตันติเบพกเวตันติตนตแปลว่าแกะแงงปะหานะตันยาตาเป็นยาติอคณะเป็นยาปะหานะเป็นยาหมดไปหมดไป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 ทุกหน้าเศ้าแต่๋นี้ถ้าทำไปทำไมถ้ามันมีอย่างหัวเลาะเยอะเย้ยได้นะเหมือนเหมือนช้างหง่าหัช้างมันจะเฉยมันจะองค์อาจตรงนี้มันทำอะไรทำไม่ได้เหมือนตัวนิ่มเมลามัน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 หมดคือมันไม่มีแล้วชาติแบบความหลงความโกรธความทุกข์ไม่มีแล้วมันจบไปแล้วสิ้นภพสิ้นชาติตรงนี้แล้วนี่กรรมฐ า, านเป็นอย่างนี้จึงยกให้เป็นวิชาเอกทางอันเอกถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนสมควรแก่เวลากอาภัพิ่องกัน